ไอ้คงงานวบบรรดาบัณฑิตบุญนิยมอ่าเราจะ ในวิธีการวิธีการของมนุษย์น่ะมนุษย์เราก็รู้จักจะตรวจสอบสร้างและก็รู้สร้างโดยไม่รู้สร้างที่สร้างแล้วก็ ทบทวนลงบัญชีผนึกผนึกมันก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสร้างทฤษฎีไว้ให้ นะที่เป็นรูปธรรมสนิทก็คือนั่นแหละอานาปานสตินั่นแหละนะครูบังลังตั้งกายตรงดํารงสติมั่นแล้ว เป็นกศีลเสร็จแล้วเราก็สงบสงบเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบอย่างนี้อย่างนี้โอ้มีอาหารที่ เสร็จแล้วเราก็งวดเลยแล้วก็อือหือเผลอไปเนาะกิเลสมันขึ้นตั้ง นะแล้วก็ไม่ฉากที่อย่าไม่ 7 ฟุตนะเติมความอร่อย เห็นความจิตติเห็นความอุปปัตติอุปปัตติคือก็เรียกไปหานรกไปหาความเสื่อมถ้าเคลื่อนไปสู่สูงก็เรียกว่าขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปที่เจริญนะจตุปปาทญาณรู้จัก งวดนี้ได้พูดถึงความเกิดเรารึกอดีตที่เสมอทบทวนเหมือนลงบัญชีเป็นหยุด ลืมเวลาประจําเราก็ทบทวนบัญชีตรวจสอบว่าเราถ้าจะถ้าจะไปได้ทบทวนได้ข้ามถ้าทํา ตระหนักตรวจสอบว่าโอ้เรามีอะไรเกิดมีอะไรดับ ดับได้นานดับได้เสมอนอนดับได้เสมอดับได้โอ้ไม่เกิดอีกเลยรู้สึกแล 80 แล้วโอ้อาการอารมณ์แบบนี้สัมผัสเหตุปัจจัยที่มันควร เขาจะต้องเกิดกิเลสเราก็ไม่เกิดก็กลางๆน่ะเป็นกิเลสที่มันมันชัดเจนว่าเราไม่เกิดนั่นก็แสดงว่าสิ่งนี้มันเป็น นะความจริงกับความจําตัวนี้แหละแยกวิเคราะห์ให้ฟังชัดเจนนะความ ผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงที่ๆเลยตัดข้างนอกขาดพอตัดข้าง ประสาทไม่ออกมาข้างนอกตาไม่รับรู้หูก็ไม่รับไม่รับได้ยินจมูกไม่รับกลิ่น ไม่รู้ตัวรู้ตัวเพราะว่าไปหลงว่าเก่งชาญ ขาดจากความจริง 2 อย่างเนี่ยที่ 2 อย่างถ้าเรียนสูงขึ้นไปกว่านั้นน่ะสัจจะ เป็นของสัญญายะนิจจานินะอ้าวๆแล้วที่จะต้องรู้ร่วมสมมุติสมมุติตินี่แปลว่ารู้ร่วมกัน <c oughs> การรู้ร่วมกันนั่นเรียกว่าสมมติสัจจะรับรู้ร่วมกันเพราะ ชัดๆเป็นความจริงที่สูงสุดหรือว่าปรมัตถสัจจะถึงหายตายหมดสิ้นสูญไม่เกิดอีกหมดความ ไม่ต้องจําระงนั้นอีกแล้วกิเลสจริงๆนะแต่ถ้านั่งหลับตาตัดเข้าไปเลยคือสัจจะความจริงแต่ มันเข้าคือเข้ามันออกคือออกต่างกันรู้ระดับน่ะรู้มากน้อยยาวต้องมีลําดับความต่างมีลิงขะระวังอิทธิภาวะกับปุริสภาวะหรือดิกรีๆ มันต่างกันโดยตะกูลต่างกันโดยตระกูลต่างกันโดยส่วนที่มันต่างกันแยกตระกูลๆพวกนี้เราจะ มันต่างกันเพราะงั้นตรวจสอบถึงขั้นเนวะสัญญานาสัญญาสัญญาตัวสุดท้ายเนี่ยตัวบทเรียนสุดท้ายตรวจสอบทั้ง เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาตรวจสอบนามความรู้เนวสัญญากำหนดรูปเนวสยนาสัญญากำหนดรู้ๆอ่าเนวสยนาสัญญากดกำหนด เนวคตังกลางครึ่งเศษเหลืออยู่แต่ในเจโตจิตหรือวิญญาณ อากาศว่างวิญญาณอันตัวธาตุวิญญาณเป็นธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆว่างก็ว่างๆเป็นตัวรูปวิญญาณเป็นตัวนามอกินัญญะเป็นตัวรูปเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวนามตัวรู้สุดเลยเนวะสัญญา ชาญหรือสัญญาหรือสัญญาฌานหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ 9 ในสัตตวาท 9 เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาในวิญญาณทิฏฐิไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญานะไม่มีนะในวิญญาณทิฏฐิไม่มี สองสภาพนี้ความเป็นสัตว์ของสภาพนี้ไม่ แต่ไม่จําเป็นจะต้องไปฝึกเพื่อชํานาญทําไมทําไมไม่ไปฝึกเพื่อชํานาญ อยู่ท่านั้นอยู่ในรูปนั้นเลยใครจะไปเพราะว่ามันไม่ มันเข้าทานนั่งแข็งนั่นแล้วล็อกเลยล็อกเลยเป็นนั้นเค้าเรียกพรหมลุกล็อกล็อกร่างกายอายตนะทั้งอาการ 32 ตัวเองทั้ง ถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นคุณพอเผลอจะเข้านี่ไปนะถ้าคุณไปขับรถยนต์ จึงไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอสัญญีเป็นอัตโนมัติถ้าเกิดเป็นอัตโนมัติยุ่งนะยุ่งแต่ทําได้ส่วนสุทธาวาส 5 จะต้องไปเสพสุขในโลก ภูมิของอัปสราภูมิของความความสดใสต้องขออภัยนะต้องขออภัยอย่าง 2558 จะเป็นปี เลข 8 เนี่ยเลข 8 เป็นเลข 9 ของอัตมาฟังให้ดีนะเลข 8 นี่เป็น 9 ของอัตมาอาตมาภาษา 9 ของอัตมาอาตมาอาตมาเนี่ยอยู่ 9 ขึ้น 8 อาตมาก็ 9 ขึ้น 8 9 นี่เป็น กาวเนี่ยคือเคลยบเจริญไปข้างหน้านะมันมีลึกกว่านั้นแต่อวดอุตตริมุสธรรมหรือว่าทําๆหรอกก็ <imitsu man reverse>, <tried> <necessary> <memories> <tons> <understandable> พอตอนนี้มีสิ่งวิเศษนะขออภัยนะอาตมาก็ต้องขออภัยทั้งสายเถระสมาคมพุทธกระแสหลักที่อาตมาตําหนิตําหนิจริงๆนิคคันเณนิคคหอรหังสิ่งๆสายอาจารย์มั่น คำนี้สิ่งที่มิจฉามันยังไม่สัมมาเถรสมาคมก็เช่นเดียวกันกระแสหลักทั้งหมดแหละ นะนี่กฎ 2558 อ่าตำหนิหนักตำหนิเพราะว่าบทบาทแรงธรรมกายบทออกฤทธิ์เดชไม่มันยะมัน ไม่ได้โกรธหรอกสงสารถ้าหยุดเสียได้ อย่าโกรธจักเครืองอาตมาอาตมาตําหนิด้วยเมตตาด้วยความจริงใจอาตมาไม่มีความโกรธความ เกิดทางจิตคิดไม่ดีทางจิตมันก็เป็นความจริงกิริยาสําเร็จอิทธิยบททุกอย่างมันก็ยิ่งบาปของอกุศลของ อาตมาต้องขออภัยธรรมกายก็ต่างก็ขออภัยแล้วก็ขอบอกนะ ไม่เดเกรดชังแต่ต้องนิคคันเฮนิคคหารังตำหนิสิ่งที่ กล่าวต้อนรับปีนี้แล้วก็บอกนะไม่ใช่ว่าอาตมาจะหยุดนะที่พูดเนี่ยอ่าที่ขออภัยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยุดนะอ่าจะตําหนิหนักขึ้นจริงๆท่าน นักศึกษาที่เจี่ยมยอดที่อาตมานับถือท่านศึกษาจริงๆโอ้โหท่านมีความรอบรู้ในเรื่องตำราในเรื่องของท่านเป็นเน็ตแมนจริงๆอาตมาคนละคั่วก็ทําเลยนะๆแต่ นะอาตมาๆแล้วก็ได้ใช้งานของท่านแล้วก็ได้ใช้งานของท่านที่ท่านทําไว้อ่าอาตมาก็ได้ใช้ <c oughs> นะของท่านพระคุณาภรณ์เนี่ยๆหลายอย่างอาตมาก็ไม่ได้มีงานท่านพุทธทาสที่เอามาใช้เลยนักเท่าไหร่แต่มีบาง ที่พิมพ์กันแล้วเพียงวันอีกเนี่ยคนก็ใช้สัตตาเพราะว่ามีทั้งภาษาอังกฤษด้วยทั่วโลกก็ๆบ้างก็มีส่วนดีส่วน ออกป่าอาตมาบวชในชีวิตนี้เข้าป่าเหมือนกันแต่เข้าไปครั้งเดียวในชีวิตนี้ตอนแต่บวชนะเข้าไปครั้งเดียวเข้าไป สัตว์ลายสัตว์ไอ้หมิงก็เงาก็มากลางอะไรกันอาตมาก็อยู่ใน นะตาจะทําไม่ได้ยากที่จะอภิรมเอ่อถ้าไม่มีสมาธิหรือไม่มีคุณธรรมทางจิตที่ เรากล้าเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกเยอะน่ะเดินป่าเดินเข้าเดินถ้ําอะไรตายไป พอปลาตะเลนี่ออกดีพอดีผิดออกนอกลี้นอก พวกพระ... อาศัยแบบอย่างอาศัยสิ่งที่เป็นส่วนดีของๆแล้วร่วมกันทําๆถ้าอโศกมีคนมากยากทําธรรมกายแล้ว มันจะรุ่งไปทั่วโลกเลยพอเค้าทําได้ผลได้ผลใช้มวลใช้พลังงานใช้สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เค้าทํานั่นแหละทํากายอุสาหะวิริยะละมีมี ทำตนเล็กไปหาใหญ่แต่มันก็ได้ช้าเพราะว่ามันเหตุปัจจัยองค์ประกอบของสัจธรรมยุคนี้กาณนี้องค์ประกอบๆ ใช้ทุนใช้รอนใช้แรงงานใช้เวล่ําเวลาโอ้โหประกอบองค์ประกอบศิลเขาใช้ศิลนะลามกอ่าขออภัยเถอะภาษา ดอกไม้ต้องเยอะแยะของสวยผิดอะไรต่างๆพวกนี้อาตมาก็อธิบายสั้นๆนะๆมันเป็นพยัญชนะภาษาที่ เขียนด้วยมือลบด้วยตีนเขียนด้วยมือลบด้วยแต่สร้างงามรู้ว่าความงามและคุณทํางามเองแล้วคุณเอาฝ่าตีนไปเหยียบความงามเองมันยิ่งกว่า เกณฑ์เดมูลอปมันโง่กว่ามันสามกว่าเยอะเนี่ยยังโง่น้อยกว่าสร้างงามสุดงาม อย่าดันตรังใครรู้ว่าอะไรผิดอะไรชั่วอย่าดันตรังทําต่อไปต้องแก้กลับ ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากพอเพียงละ กับสรแล้วทําแต่เหลือนดิไม่ไม่ได้นะเพราะงั้นในวันนี้ เพิ่มเติมคือนะยกสิ่งที่ควรยกข่มสิ่งที่ควรข่มตำนี่สิ่งที่วิชชาอาตมาตั้งใจ 8 นะ 8 นะเอาพระตปิฎกเล่ม 9 มาด้วยมาใช้วิชชาจรณะสัมปันโน 1 ใน 9 วิชชาจรณะ DNA ของ 9 นี้ทั้ง เมื่อเจ้าของพระเจ้าแล้วทุกคนห้ามแตะใครไปละลาบละลวงเอามาไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นมัน และปฏิบัติให้เป็นจริงแก่ตนได้แต่ถ้าประเด็ดการแล้วห้ามแตะทุกคนยกไว้เทิดทูนขาดลอยใกล้ไม่ได้นั่นคือ ต้องทุกอย่างต้องเสมอภาคเสมอกันทุกเพราะฉะนั้นนี้แหละมันรู้ว่าเลยเถิดไม่เลยเถิดสิ่งนี้ลึกซึ้งสิ่งที่มีชั้นตนมีระดับไอ้สิ่ง อย่างมีสัมมาคารวะนะมีสัมมาคารวะมีความ 15 ท่าน 15 เนี่ย 15 วิชชา 8 มาแจกออกแล้วมาวิชา 8 ก็เดี๋ยวจะได้พูดละเอียดก็ขอพูดถึงจรณะ 15 คร่าวๆสั้นๆพอสังเกตศีล 1 ศีล 2 อัปปนังคะ 3 3 ข้อ 7 แล้ว ฌานอีก 4 นี่เรียกว่าจรณะนะรวมแล้วเป็น 15 นะศีลนั้น นะ. 5 เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยเป็น นะ. นะ. 3 นะปานาติบาตกามิไอ้อัตินาทานกามิสุมีจาจารย์นี่เป็นพฤติกรรมที่ครบข้าง 28 ที่คุณจะศึกษาได้นะ และเวลาปฏิบัตินั้นกายต้องเป็นจิตอย่างที่พระมโนคือวิญญาณตามที่ ศีลอติศีลอติจิตอติปัญญาไม่ขาดกันปฏิบัติแล้วศีลคือกรอบเสร็จแล้วเราก็ ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นอบายมุขคืออะไรเอ่อสิ่งที่มันเลวร้ายนะทุกอย่างนะธุรกิจการ พานเมื่อเรารู้ๆก็อัปปนกะ 3 นี่แหละนะจะบริโภคตั้งแต่กินนี่มันตาย อย่ารักษาโรคของมันไม่ได้ป่วยทุกวันนี่แต่กินมันต้องกินทุกวันนะอย่างน้อยวันสำรวมแล้วก็ปัจเฉนีมตัญญุตตาเป็นสุดยอดปฏิบัติเด่นรู้กิเลสในโปจเฉนีมตัญญุตตาเนี่ยแม้แต่ <c oughs> ถ้ายิ่งรู้ทั้งอุปโภคด้วยมันก็ต้องรู้แหละเครื่องกินเรื่องทรับัติสัมผัสเรื่องซื้อชาจานชามช้อนสัมผัสเครื่องใช้ๆเกิน ตันตุตาพวกเครื่องอุปโภคบริโภคโภคะต่างๆที่เราสัมพันธ์อยู่นะเราก็จะต้องเรียนรู้กิเลสเราเกิดกับสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรมันจัดจ้านเอาก่อนอะไรที่มันยังพอ นะคอนเทกสต์ต้องเป็นบริเชตให้ชัดบางทีท่านก็ไปสลับไปแปลคอนเทกสต์นี่ว่าบริบทอะไรพวกนี้มันก็ที่จริง เรียกว่าเป็นไอ้อะไรแชปเตอร์อะไรพวกเยอะนะในอย่างก็คือตัดเอาประมาณ 1 เรกรอบนึงๆไป เชื่อมโยงสนับสนุนส่งเสริมกันไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มันก็จะเป็นจากคอนเทนต์ก็เป็นแชปเตอร์เอ่อๆกับบริเชษฐ์เหมือนกันหลายๆและบทนึงก็หลายๆ6 เนี่ยอธิบายมันก็จะยากอีมันมันซับซ้อนกลับไปกลับมาเยอะนะ ข้างนอกข้างในอ่านเข้าไปข้างในเท่าที่มี 32 ที่มีครบมีครบแล้วก็มีสติติดแต่นอนหลับแล้วก็เป็นรสอร่อยอยู่ก็หลับคุณก็หลับไปนะ แม้แม้ติดหลับติดนอนก็จึงจะมีความตื่นชาติยะเนี่ยความตื่นคือมีสติเต็มคําว่าตื่นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีสัมปชานะเท่า ไม่ใช่ปฏิบัติในหลับหรือเข้าไปอยู่ในภพตื่นนี่อยู่นอกมีองค์ประกอบมีครบเป็นวิโมกข้อที่ 2 ที่สมบูรณ์นะแล้วก็ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็ทําให้ตื่นยิ่งขึ้นเป็นพุทธะคุณสมบัติสูง มันตื่นสมบูรณ์เพราะมันรู้อะไรมันเป็นคนรู้ข้างนอกข้างในรู้หมดในกระทั่งตื่นแล้วๆๆๆ ตื่นขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออัปปนกัปปฏิปทา 3 ถ้ารู้จักสภาพที่ทําให้ตื่นนี่คือทําทําให้ตนเองไปเป็นพุทธะแล้วก็ปฏิบัติสิ่งๆอ่า นปฏิบัติได้มันลู่ไปตามลําดับตามขั้นผลที่ได้ 7 จิตจะเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดอหุสสูตเกิดวิริยะสติปัญญานี่ 7 นี่ผลจากตามกรอบศีลตาม จะเกิดมีความเชื่อมั่นมีความรู้มีความเข้าใจไปเรื่อยๆพอมีความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นจิตที่รู้ว่าอัน จะบ้ากันใหญ่แล้วไปส่งเสริมคนชั่วคนบาปคนไม่รู้จักอายอย่างนี้เป็นต้นทําไมเมืองพุทธทําอย่างนั้นอิสลามเค้ายังสอนดีมากเลยเค้าคลุมเค้าปิด ไอ้ที่ไอ้ที่ได้ทําเปิดๆๆหน้าด่านๆพวกนั้นน่ะ ไม่ต้องไปพูดถึงโอตตัปปะโอตตัปปะนั้นมันคือความน่าด้านไม่โอตตัปปะนี่น่าด้านถ้า อ๋อหน้าก็ไม่ทํารับหลังพอยังไม่แข็งยังไม่สูงๆในจิตตัวมีสํานึกมีความ แต่ศรัทธาในความรู้ที่ 6 สัลลยตนะเรียกว่าฉลาดนะฉลยตนะอย่างองค์องค์รู้รอบรู้ทุกสัจจะที่ เพราะงั้นเมื่อมีความรู้ความฉลาดสัตถะหรือปัญญาขึ้นมา ภาหุสัจจะนะหรือภาหุสัจจ์ท่านผู้ที่เข้าถึงความจริง โดยการศึกษาก็เถียงไม่ออกหรอกนะแต่อาตมาว่าสภาวะไม่ปิดนะเป็นสิ่งที่ๆก็เป็น ก็กล้าอาถรรศน์แสดงธรรมบริษัทจนกระทั่งทรงวินัยจนกระทั่งจิตอยู่ วิริยะสติ 5 อินทรีย์ 5 มีศรัทธาวิริยะสติปัญญานะ คุณน่ะทําสักธรรม 7 นี่แหละคือบาทฐานของฌานมันจะเกิดจิตมีศรัทธาเพิ่มมีหิริเพิ่มมี คือจะมีความรู้ที่เพ่งรู้รู้ยิ่งรู้จริงขึ้นแล้วก็เผามีพลังเผาเผากิเลสได้ได้ๆก็ยิ่งรู้เพิ่มยิ่งขึ้นรู้ยิ่งเผาก็ มือล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าอะไรผู้ชาติทั้งตรัสไว้คือปัญญาเนี่ยฌานไม่มีปัญญาฌานได้แต่นั่งไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ จะทํา 7 นั่นแหละเป็นเนื้อแท้ที่ตามสามัญญพจนสูตรหรือตามปฏิปุจฉาจัด เป็นอริยะทั้งหมดศีลเป็นอริยะสํวรมินทรีย์เป็นอริยะสติเป็นอริยะแล้วในปฏิบิโลกเล่มเป 9 เปเปด้วยได้ 1 มนุ 2 ฌาน 3 ฌาน 4 ตามการปฏิบัตินิกายกตาสติงีอานาปานสติอยู่ใน นะจะจะเห็นจริงจะจะ 1>, 1 2 3 4 ไปตามระดับวิตกวิจารณ์ที่ ลักษณะเรียกว่าตกะคืออะไรวิตกะคืออะไรสังคัปปะคืออะไรอัปปนาคืออะไรพยัปนาคืออะไรของมนสิกการกระบวนการของการปฏิบัติสมาธิลืมตาปฏิบัติด้วย 7 องค์นี้แหละสังคัปปะเนี่ย ตรรกะปัจจัยเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบศีล 7 ความหมาย 7, 7 ข้อเนี่ยซึ่งจะต้องรู้สัจจะของแต่ละข้อ กำจัดนั่นคือการทําให้เกิดวิตกะเพื่อที่จะบรรลุผลมะสุสังคัปปะอันสมบูรณ์เป็นสัมมาสังคัปปะความนึกคิดที่ โดยวจีสังขารก็มีตัวดับก่อนเพื่อนดับเสร็จเลยก็จะทํางานก็รวมธาตุจิตประมาณผ่านอีกทั้งรอบ พอเราจะทําอย่างนี้นะตรวจอีกทีอัปปนาปยปนาเจโตวิปปนาปวดอีก 3 ชั้นตรวจแล้วบอกว่าเออเอาได้เท่านี้เอาเท่านี้นะจะสร้างอนุโลมเท่านี้ออกเท่านี้สมบัติ สังขารจึงเกิดก่อนปัจจีสังขารจึงเกิดทีหลังเมื่อหลังจากนิโรธแล้วจะทํา ถ้าเราเกิดชาญทั้งสี่แล้วก็มันจะชัดเจนอย่าง 15 ใน 15 นี่มีปัญญามีความ ปัญญารู้ตัวแรกนั้นคือปัสสิปัสสะต้องสัมผัสเห็นอ่ายิ่งคร 15 ครบ กระบวนการจึงจะเรียกว่าเป็นความจริงประชุมครบองค์ประกอบครบจึงจะๆให้หยุด เป็นปุ่มหมดผิดหมดหันทิศตรงข้ามกันคนละขั้วนั่งหลับตาสึกกิจกลับ เป็นฌานไม่มีนิพพาน 5 แล้วยกจิตขึ้นครบรูป 28 มันไม่มีดินไม่ ก็ได้เห็นกรอบเล็กๆอยู่ในภพแคบๆไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเห็นอยู่ๆนะกสิณสี แล้วเป็นลงว่าเอกคตตาคือหนึ่งเดียวพาสื่อว่าเอกคตตา ก็ไม่ครบรูป 28 เอาล่ะพูดไว้แค่ขุดศาสนาพุทธคน ขออภัยนานบอกแล้วนะว่าจะตำหนิๆก็แล้วกันไม่ได้ๆแล้วเจตนาอาตมาเจตนาจริงๆตั้งใจเพื่อที่จะทํา <c oughs> ไม่ได้อยากได้อะไรมานะเพราะงั้นถ้าผู้ว่าไม่เข้าใจที่อาตมาอธิบายเนี่ย 8 ญาณ 8 รู้ที่มี แนวโน้มไปทางไหนมีอธิมุตมีอธิจิตมีอธิโมกข์โคจิตเดินทิศไป ถ้าอารหัตตมรรคกับ 90 องศาเลยอ่าถ้าโธดา 10 องศากําลังจะเพิ่ม 10 องศาสกิทากําลังเพิ่มขึ้นมา 25 องศาเริ่มขึ้นไปเป็นไปหา 50 องศาจาก 50 องศาก็ 100 หรือ 90 องศาเนี่ย นะเอาล่ะอธิบายมันก็จะยาวออกไปนะรู้ๆเห็นรู้รู้ไม่เห็นตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินไม่มีศีลวิปัสสนาไม่มีเกิดต้องเข้าใจ จึงเป็นญาณที่รู้ๆเห็นๆสัมผัสของจริงอยู่ตรงๆเป็นปัจจุบัน ให้ศึกษานะเมื่ออ่านของจริงความจริงนี้สมบูรณ์จึงจะเรียก มีความสําเร็จสําเร็จที่แกนจิตคือมโนมยังคืออันเป็นเราเราทําสําเร็จหรือเป็นความสําเร็จเป็นเรามยะเนี่ยมีความ เข้าใจคําว่าตัวแล้วก็มีจิตของเราดีเขาจะอัตตาดีเขาจะตัว นําไปได้จะยาวเกินมีฤทธิ์ในการได้นั่นแหละคือฤทธิ์ไม่ใช่เป็นนั่นเนรมิตนี่สามารถหยั่งรู้ไอ้สิ่งที่ลึกลับสิ่ง ก็มีเจตนาอย่างนี้อะไรได้ไม่ใช่อ่านๆว่าเป็นผู้มีอิทธิวิธะก็คืออิทธิวิธีเป็นผู้มีอิทธิหลากหลายมีๆนานาเนี่ยทะลุกําแพงภู เอ่อปุ๊ดน้ําลงดินอะไรก็ได้อะไรต่างๆพวกนี้แหละสารพัดสารเพพวกนี้ที่ <ต grâce S 1> ทิพโสกะอธิบายไปบ้างแล้วสภาพเรียกว่าสภาพทิพย์กับสภาพมนุษย์ท่านชายความว่าอย่างนั้นสภาพมนุษย์ก็คือทั่วไป หรือจากเสียงไกรดังมาๆไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชัดนักแต่ เรียกว่ากลองกลองคืออย่างงี้ต้องไปนักถามนักดนตรีเค้าอย่างนี้เราเรียกว่าปึงมังนี่ คือกิเลสแม้กิเลสหยาบหรือกิเลสยิ่งละเอียดเลยยิ่งนั่นล่ะโสดิปหรืออธิปสรสยิ่งดียิ่งเก่งกิเลสมันเล็กนิดเดียวสัมผัสๆรู้ได้เร็วรู้ได้ชัดอย่า ยังโง่ดักยังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรเลยไม่รู้จักผีผีตัวใหญ่ตัว ต่อเสียงซงหยามีเสียงมนุษย์เสียงทิพย์ท่านท่านพูดเป็นภาษาวาลีเป็นภาษาบัญญัติไว้ว่ามีเสียง 2 เสียงเลยสามารถ จากทิปสโธไป 16 เมื่อวานนี้อธิบายแล้ววันนี้ขอผ่านนะตั้งแต่กรูสราคะสาโทสะ past perfect tense นะ, แล้วก็สมบูรณ์ไปนะเจโตปริญาณแล้วนี่เป็นอภิญญาสําคัญ 5 ประการใน 5 ข้างอีก 3 ประการส่วน 5 ประการนี้จัก จน 5 ประการเอ้ย 3 ประการหลังนี้เตวิชโฌเนี่ยคุณต้องฝึกลงบัญชีต้องอ้อเราเหลืออาสวะอ้ออาสวะๆคุณ คุณจึงจะรู้อวิชชาข้อ 7 000000000000 ยังไม่มีกระดิกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปัตติญาณอาสวักขยญาณ 9 เนี่ย ปุเพนิวาสานุสติญาณจึงเกิดฌาน 1 ไม่มีเลยนั่งหลับตา 2 ฌาน 3 ฌาน 4 ว่าคุณ อะไรว่าบะบาลีอยู่ป่าก็ดีอยู่ธรรมก็อยู่ป่าแล้วไปเจอกันในป่าว่าเออจะทําอย่างนี้ก็ตามก็ต้องเป็น ไม่ได้หนีลาภยศส่งเสริมโลกิสุขไม่ได้หนีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่หนีนี้น่ะท่านเรียกว่าโลกันตะโลกันตะท่าน เพราะศาสนานักรบตัวแท้ไม่หนีมีแต่สู้เผชิญนักรบตัวแท้ไม่ใช่ได้ยินเสียงกรอบแคร่มาก็วิ่งๆนี่ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเหยาะแหยะไม่ใช่ศาสนาขี้กลัวไม่ใช่ศาสนาที่จะ มีสภาพครบพร้อมล้อมเอ่อมีสัมปวะงค์โกครบพร้อมมีเสนาสนะมีบุคคลมีอาหารมีธรรมะอาหารสปายะเครื่องอาศัยสปายะมีธรรมะสปายะมีสิ่งที่พาเจริญ มันพูดได้ติดรู้เสนาสนะรู้สถานที่ทิฏฐิคนอยู่ก็มาอยู่สิมันเป็นสัมปะวังโกมีบุคคลมีมิตรดีสหายดีเยอะเลยมีสิ่งอาศัยๆเลยเขาจะ แล้วเขาจะได้รับอย่างออสโมซิสเลยซึมเข้าไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวมันนอนนะนะมีออสโมซิสซึม มันเพราะอะไรกว่าเอาสดทิพย์แทรก <c oughs> ขอให้มีสัมผัสเถอะมันออสโมซิสนะให้มีสัมผัสแม้แต่คุณปิดเครื่องมันก็เข้าถ้าพลัง พลังที่พิเศษมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวผ่านนะเพราะคุณสามารถที่จะพิเศษบ้าๆบอๆนะ ปงัณในวิชชาจรณะสัมปันโนนี้ไม่ใช่เอามาเรียน แต่อยู่ปลายเหวก่อนก็แล้วตัดแตกเรามันอยู่ยังเป็นสัตว์นรกปลายเหวเราก็ต้องขอแตะๆ ที่อาตมาญิบมาพูดมาบรรยายมันจะมีทั้งตําหนิมันจะมีทั้งชมชม เพราะท่านตินี่ท่านติด้วยอะไรแม้เค้าติ แต่สิ่งที่เค้าติเอมันถูกต้องนะเอาเราก็เลือกเอาเป็นขอบคุณขอบคุณเพราะแต่จะเลว เขาติได้ถูกติสิ่งที่จริงมันเป็นประโยชน์เอาให้ติด้วยเมตตาที่อาตมาบอกพูดๆอาตมาว่าอาตมาติแล้วแต่อีกด่าด้วยความเมตตานะไม่ได้ด่าด้วยชัง ก็ได้พ้นจากบาปพ้นจากทุกข์พ้นจากสิ่งที่เลวทรามนะเป็นความตั้งใจจริงอย่างนั้นนะเอาลองมาดูในพระตปิฎก เมตตาปรมจรรย์สุธะก็ขึ้นต้นด้วยศีลนะมีศีล 15 นั่นแหละสํารวมอินทรีย์โภชนะนิยมัตตัญญตาชาคะริยา ศีลซะก่อนศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาสีลเนี่ยเป็นธรรมนูนที่ตราขึ้นตั้งแต่บัด ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มเปก้าแม้ไปพูดเรียกเป็นผู้หญิงเอ็มเปก้าเป็นผู้และฉบับกฎหมายหลักวินัยนั้นรองกฎ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงได้แต่รัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนแปลงตรากมาแล้วไม่เปลี่ยน หลักใหญ่จริงๆอนุโลมก็แล้วไปเถอะแต่ต้องทําไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้เรา แล้วก็แจกวจีทีนี้นะแจกวจีเป็นอกุศลมูลนะไม่ส่อเสียดนะไม่พูดเท็จไม่ผอส่อเสียดแจกวจีออก แต่นั่นที่เป็นสามัญญผลนะผู้ปฏิบัติจนเป็นสามัญนี้ฉันนอนเดียวเป็นปกติอย่างของเราในกลุ่มของพวกเราเนี่ย อันนี้มันศีล 8 ศีล 9 ขึ้น 10 ขึ้นไปเพราะ 5 บ่ถึงขั้นเอาแต่แค่มุสาวาจาวจี 5 ก็เอาแค่มุสาก่อนส่วนค่อยๆไป 8 เพราะฉิน 5 เอาแค่มุสาก่อนไม่มุสาคําเดียวเนี่ยนะ อลาเนฟอร์นลัมกอนพัดดอกทรงอะไรนี่มัน 8 นะเครื่องประเทืองปิ้วเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ก็เป็นศิลป์ 7 ศิลป์ 8 เข้าไปแล้วขาดจากขั้นรับเงินนักทองศิลป์ 10 อย่าปาสุมันกินได้เลยเกินไปนักผักสดก็รับไม่ได้อาหารดิบมันกิน คนน่ะดิบลบไม่ได้ถึงสุกแล้วรับได้นะได้แต่มี อย่าผู้หญิงอย่ามาเป็นวัยยาววชกรีผู้หญิงวัยยาววชกรีไม่เอาวัยยาววชกรวชกรณะเนี่ยมันจักระเป็นผู้ชายไม่เอาแต่อย่ารับทาสีทาสาลูกศิษย์ไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้รับใช้เป็นผู้ที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเป็นผู้ทํางานต่อเชื่อมอย่ามากดขี่ จมังโงควายอะไรพวกนี้ใช้แรงงานไม่เอาสัตว์ในประเภทใดๆก็แล้วแต่แพะเกษตรกรกินนมห้ามป่วยการ ใช้นมก็ไม่ได้ใช้ขนก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงชมเล่นอย่างการรักการชังกันใน ไม่ปล่อยสัตว์สัตว์ปล่อยสัตว์ให้เข้าไปตามไมไม 250 กว่าไร่ก็ นิติกรรมให้สมบูรณ์เท่านั้นก็ไปดูไปแลอะไรมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราฝั่งโน้นทํางานกันจะมีที่มี ก็มาให้มอบอยู่เรื่อยที่ดินอาตมาไม่ได้รับที่ดิน If this sort of salary. Your rent not going from another affordable device. It's resolubed by that. piercing for男's money... If you wasn't, you too wtedy are zamar anti-änger or pro 식 you belong to. But if it's good, well you have particular risk and you don't have amount of risk. Have all of those of you going to drive? Got my penis. Yank me? My trans Pronov... What's the situation? When I hit you're, I'll have to give up, take advantage for for นี่ลีลาโปธิลักษณ์ก็พูดแข็งๆแร็งๆแบบเนี้ยนะสรุปแล้วก็ที่ไร่ที่นาก็ นะจัด 52 ไร่ปลายเชื่อมโยงทั้งด้านด้านโน้นน่ะเชื่อมโยงทั้งทิศทางตะวันออกนั่น เพื่อจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่เจตนาบอกชัดๆอย่างน้อยมีที่อยู่คุณก็ยังจะเปลี่ยน ให้มุงไอ้มุงให้มุงจากมุงกระเบื้องยังเอ้าเราจะใหใหให 300 แปลง 300 แปลง เพราะฉะนั้นผู้จะมาอ่ามาจัดซันก็จะต้องมาจะเรียกว่าซื้อมันก็ไม่เชิงจะมาแปลงละ 50,000 บาทแปลงมีบาท ผู้ที่จะเข้ามาอยู่นี่ก็มาอยู่ได้แปลงนึงมันจะกว้าง 10 เมตรยาว 10 เมตรก็ 100 ตารางเมตรแปลง 100 ตารางบาทเพราะงั้นผู้จะมาซื้อ 5 ต้องสามารถ 5 ละอบาเยมุก นี่เป็นมาตรฐานหลักของเราจะเข้ามาซื้อมารายได้เราจะเริ่มพัฒนาหมู่บ้านขึ้นเพราะ แล้วคนมันจะไม่อยากกินได้ยังไงนะ 200 อ่ากว้างมีพื้นที่ 225 ตารางเมตรอ่า ในที่ 225 ตารางเมตรเนี่ยคุณมีสิทธิ์ซื้อได้ที่ถึง 225 ตารางเมตรแต่มีสิทธิ์ 10 10 100 ตาราง <c oughs> <c oughs> สร้างวังได้ใหญ่ที่สุดเท่านี้ 10 กว้าง 10 ยาว 10 10 บินเดียวเหรอฮะ 10 บินนิดเดียวแล้ว 10 ก็โอ้โหคุณนอน 10 ฮะอ่า 10 คุณ 10 วังได้ 10 เมตรแต่ 225 นะ 225 คุณ 2 แปลงก็ได้ 3 แปลงก็ได้ก็มีสิทธิ์ไปอย่างนั้นได้ก็มีแต่วังมาเอามา เป็นกล้ากล้าเต็ดทําได้เลี้ยงได้เลี้ยงบาลีนี่เลี้ยงได้เมตร 1 เมตรอ่าตามกฎเทศบาลก็จะต้องห่างเป มันก็เจ้าตูเป็นวังใหญ่ซื้อมัน 4 แปลงเลยโอ้โห 100 คูณ 100 เป็น 400 เลยวัง 400 ตารางวาเลยกว้างยาวโอ้โหความสูงไม่กําหนดเอานี่ก็บอกจริงๆก็เรา ขยายอันอาบริเวณทั้งสถานที่พักต้องการบุคคลแล้วก็ทั้งที่จะขยายที่ที่จะเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรรมเราจะทําให้ๆอย่างที่งานนี้ ก็จะทํากันให้เป็นกิจลักษณะคนทรงทรงฐานะเนี่ยก็มีฝีมือก็มีสูตรมีคือมีพรสวรรค์นี่ทั้งเนี่ยผักคะนานี่ดูซินี่ใบมันดูเนี่ยใบเท่ากระดงอกะลําวนาคคนาไอ้นี่ก็มันใบเท่ากระดงโอ้โหมันอะไรกันใหญ่นักนะลำมันมันก็เท่านี่เสร็จ มันเป็นหักเงินเหนียวหนึกหักอะไรก็ไม่ออกนะคือมันมีคุณสมบัติ เนี่ยนี่ปรัชญาของเราของดีราคาถูกซื้อสัตว์มีน้ํา 50,000 บาทใครจะจับจอง พรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าอะไรนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวมาจ่ายค่าตัวพรีเซนเตอร์นะนะอาตมาบอกให้ก็ได้ท่านถัก ต่อน่ะเว้นข้าจัดการรับที่นาที่ไร่ที่ดินแม่พูดที่ <c oughs> การรับใช้การเชื่อมต่อกับทูตกรรมทํางานเชื่อมต่อกันเรา เออคุณทํางานให้เขาเดเมจตาเกอร์คุณอนุเคราะห์กันไม่ใช่คนรับใช้นี่คือเงื่อนไขการๆเลย มันลงนรกกันไม่รู้ตัวเลยๆขออภัยนะ 2558 มันเทศก็เอาเงินโดนพูด เอาแต่แต่เอาแต่พูดพูดผิดพูดถูกอีกๆเลยนะเพราะฉะนั้นการรับใช้คือการทํางานแล้วไม่เอาสิ่งแลกเปลี่ยนนั่นคือการ คณหัจก็ก็ตามคารวาสก็ตามงานนั้นเราทําไม่ได้หรอกมันผิดบัญญัติวินัยผันดัดบัญญัติศีลบัญญัติวินัยผิด เอ่อในทัพบริสุทธิ์ธรรม 7 บ้านเมืองเดือดร้อนมากเราก็ต้องออกไปช่วยประชา ก็ไปได้พูดแล้วมันก็ไปเหาะไป พ้นมิจฉาชีพเอาลาภแลกลาภไม่ได้ เป็นพระเป็นเจ้าเลยอภิสิทธิ์บินทปาตกินแต่ทํางานแล้วไม่เป็นเทศไม่เป็นเสริญไม่ต้องทําอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้เทศสมาคมก็ทําทูตกรรมมีธรรมทูตออกต่างประเทศด้วยไม่ทูตกรรมขี้หมาอะไรก็ทํากัน แม่เราจะไปเป็นทูตต่างประเทศเราก็ไปเพื่อจะให้เขาไป ดีทูตรับใช้ได้จริงนะเพราะฉะนั้นเป็นทูตได้รับใช้ได้ถ้า ถูกขายนี่แลกเปลี่ยนจริงๆเลยแม้จะซื้อขายแบบมาเตอร์ก็ตามเอาของแลกของบนอย่างสมัยโบราณนี้ก็ไม่ค่อย ฉลาดแกมโกงไม่ใช่ฉลาดปัญญาฉลาดเชกาฉลาดแกมโกงฉลาด โกงจะโกงด้วยเครื่องเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องอะไรโกงธรรมชัยทุฑงปลอมทุฑง อัตตามาอธิบายไปแล้วสามยังไปย่ํายีความงามสะเตะท่าดราม่านานา โด่งปลอมหลอกชาวบ้านคนไม่รู้ก็ลงไปหน้าองค์ๆอย่างนี้ชะลอง 2558 นะๆภาษาก็หยาบๆนะยังโกงต้นอื่นๆแต่ สร้างพระราหูสร้างๆของปลอมทั้งนั้นแล้วก็ เอาอะไรมาเปรียบมาเทียบมาวัดมาอะไรรูปร่างน่ะในข้อ 24 เนี่ยน่ะน่ะกุหนาโกงเนี่ยคํานี้ภาษาปาลีของ น่ะแล้วก็มาเดินเตะท่าแล้วเอาดอกไม้เอาดอกก็ ต้องลึกซึ้งนะเว้นโอ้โหละเอียดหมดเลยไอ้นี่ 2 ข้อที่ 1 กุหนาข้อที่ข้อที่ลัปปนาข้อที่ 3 เนมิตกตา 4 นิปเปสิกตาข้อที่ 5 เอาเงินจัดการเทศน์ในศีลบนทํางานรับจ้างผิดทั้งข้อ 22 ถ้าเสร็จแล้วบอกว่าอันนี้เป็นอริยะธรรมอริยะวินัยเราเป็นนักบวช มัชฌิมศีลก็จะมี 5 ไปนะยังมัชฌิมศีลๆนานาไม่ มีสมณะสะสมนี่กําลังจัดการกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเผอไม่ได้สะสมกองเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขยะก็อยู่นั่นน่ะแล้วก็พยายามช่วยกันอยู่นี่ ภิกษุสมณะของเจ้าอโศกเนี่ยนะก็พูดแล้วบอกหลายย้ายอ้าวย้ายให้ไปสะสมใหม่ อะไรก็ไม่รู้นะสะสมมันไม่ใช่บังคับสินเงินทองเพชรนิลจินดาอะไรนะไม่ใช่นะ <c oughs> น่ะอย่าไป์์การ์ตูนอย่าไปกอบโกยอยู่อย่าไปหลงติดยึดว่าแม้หวงแหนไว้แล้วมึงก็เก่า เอ่ออะไรดูอัตมาได้ยินพระท่านแลท่านอะไรแล้วก็อืมเวรจริงๆศาสนาพุทธและใช้สุ่มเสียงสนิทอัตมานี่เลือดนักร้องนักร้องรุ่นเดียวกันกับสุทเทพมาได้ลง เอ่อไม่ได้เป็นนักร้องก็ไม่ที่ 3 ก็รักษา เอาชื่อเจ้าเทพมาครับนามสกุลเจ้าหล่อออดปนลบวิชุกรมาตั้งชื่อเทพวิชุอาตมาก็ตั้งชื่อคณะเองอ่ะเทพวิชุ แล้วก็รู้น่าจะร้องจะรําจะอะไรต่อใดอาตมาก็ดนตรีนี่ทํามาถึงขั้นเออรับรองแล RS เมดิเกิดแน่เกิด ทุกด้านด้วยด้านด้วยนะศิลปะ 5 แขนงเนี่ยสถาปัตยกรรมดราม่ามิวสิคอะไรต่างๆอาตมาเอาหมดแหละวรรณคงวรรณกรรมอาตมาเอาหมดกวีคงกวีการชอบหมดทําทุกอย่างอาตมาเหมาเอาหมดเลยรับรองทําบริษัทหัว RS อย่านะแต่ทีนี้มันไม่เกิดซะแล้วนะขออภัยที่คุยโม้มันมาเห็นอะไรกุนเปรี้ยวไม่ได้ทําแล้วจะทําเป็นๆสร้าง คนจันทราเล่นไอ้ไม้สูงไม้ต่ําเล่นหน้าศพเล่นขึ้นช้างลงม้าเกิดกับบูชรควายชนแพะอะไรแต่อ่าลบนุกตะราต่ําๆนานาเนี่ยสารพัดสมัยโน้นท่านก็ เรื่องหมองเมาทั้งนั้นสารพัดนั่นแหละทั้งหลายทั้งวง ตีแบดมินตันก็ตีข้ามเน็ตไปมาอย่าให้ลูกตกเตะตะกร้อก็ช่วยกันประคองตะกร้อวงอย่าให้ลูกตกช่วยกันคนอยากแกล้งกันเนี่ยแกล้งกันลูกตกเสียไม่ดีคล้อยกันประคองอย่างนี้สร้างจิตวิทยาออกกําลัง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์อะไรก็ทําอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะมันมีรายจุลศีลมัชฌิมศีลคงจะครบ วันนี้ขาบสุดท้ายอีกเราจะได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นสุดไม่ใช่เรื่องเราไม่ดังศึกษาคาบสุดท้ายนะก็จะได้ นั่นเนี่ยผู้ซื้อสัตว์ท่านก็บอกเวลาแต่ของเราเลยไป 7 นาทีเมื่อกี้เนี้ยก็ขอบวกอีก 7 จะนี่ละเลี่ยมรวยด้วยดอก ดา우 เรืองเค้าไม่เล่เล่ลวงลวงไม่แต่ตัวหนังสือภาษาอะไรก็จับไปเบี้ยวแต่เค้าเรียกเบี้ยวบาลีเบี้ยวเอาไว้เพี้ยนเอาไว้เพื่อแก้ตัวนะเบี้ยวเอานะ เดว่าชวนทุดงแล้วก็ทุดงนี้รวยไปด้วยดอกดาวเรืองไม่ใช่โรยน่ะเขียนว่ารวย เล่นคําเล่นภาษารวยมั่งรวยรวยเออรวยกระรวยแล้วก็ 2558 ขออภัยนะทางด้านฝ่ายโน้น จะดันตรังทําบาปต่อไปทําไมน่ะสิ่งที่เออ ซึ่งคนมันหลงอยู่นั้นหลงความใหญ่ความมากๆแล้วก็ค่อยเจริญไปตามลําดับมันมันจริงอย่างน้อย ก็ใหญ่แล้วใหญ่แล้วขณะนี้ก็ไม่ใช่ๆมันจะเป็นไปตามธรรมเนี่ยสร้างตึกๆตึกสวมน่ะนี่จริงๆ สันติอโศกก็ซุ้มตึกสปายะ 4 ชั้นน่ะซุ้มนะที่สันติอโศกคนไปหาซุ้มก็ เป็นกระท่อมเหมือนซุ้มส่วนซุ้มเหมือนตึกๆตึก 4 ชั้นน่ะคือซุ้มที่นี่ก็ตึกบะเลอร์นั่นน่ะก็นะอาตมาเรียนศิลปะมาแล้วศิลปะของอาตมานี่เป็นโลกุตระด้วยเค้ายืน ภาษาตรงๆโลกีย์แต่เป็นศิลปะระดับโลกุตรัง 10 ข้อนะมัชฌิมศีล 10 ข้อนี้ก็ๆนานาจน เป็นผู้รับใช้นะท่านสำนวนนี้อาตมาอ่านแล้วจุกเช่นสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวก ขันโภชนะฉันอาหารฉันของรับใช้ของชายต่างๆอุปโภคบริโภคจากเขาให้แล้วด้วยศรัทธายังขน ทึกทูตกรรมก็คือการไปเชื่อมโยงไปเป็นการเชื่อมต่อไปสัมพันธ์ก็เพื่อที่จะเอาประโยชน์จากเขาการไป ถูกก็ผู้ไปเชื่อมโยงเพื่อที่จะปรารถนาดีแล้วหรือเป็นทูตถ้าเราเป็นผู้ที่ทําคุณอันสม แล้วก็ไปสอนเค้าเป็นเสนอเค้าไปช่วยเค้าเอาศาสนาไปที่อินเดียชาวอินเดียคุณ ไม่ศรัทธาไม่เห็นด้วยมันหมายความว่าอะไรเนี่ยอาตมาอ่านจากของคอลัมน์ทัสสุมานตอนนี้เขียนนะมันเป็น ชาวอินเดียก็ยังไม่รับเลยภิกษุณีก็ก็ไม่รับไปเป็นทูตอะไรขอๆแต่มันต้องตําหนิเพราะว่า ทำงานที่จะไปสื่อๆคือยังไม่เคยมีนะขออภัยมันเป็นเอ้ยเอาเถอะมาเค้กของเฮาก็ ไม่ได้ไปเทศน์สิ่งที่มันเป็นเอ่อสัมมากถาอะไรร้อๆเลยนะหลงอุตจาสยนะมหาเสยนา น่ะเพราะงั้นมันก็ไปอะไรไม่รอดกันอยู่เต็มไปหมดในวงการศาสนานะเพราะงั้นมันก็ไปอะไรไม่ ไม่เคยสํารวมอรติวรติปฏิวิรติเวรมณีอะไรออกมาเลยนะๆนะสําหรับวันนี้โอ้โหน้ํา เปิดหนังสือเปียงหมดเลยนะน้ําค้างเยอะอ่ะสําหรับ bai